จันสุรพลามาดูแล้วนะโอเคนะจันทำได้ดีอะลงทุลงแรงมากเลยเล่มนี้เล่มนี้คุณจันกลัวเลยใหญ่หนังสือรวมคำสอนหลวงพ่อจากซีดีหลายสิบแผ่นจันสุรพลกับครอบครัวนะกับลูกศิษย์ลูกหานีช่วยกัน <c oughs> ประมวลให้นมานประมวล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 คำสอนใดที่ชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเสียงอ่อยๆนะนานๆจะมีคนเสียงแข็งขึ้นมาสักทีนึ่งก็อยู่ช่วครั้งช่วคราวแล้วก็อ่อยๆไปอีกนะกระแสของความมีตัวตนมันรุนแรงเพระฉะนันอย่างหลวงพ่อให้ดูกายดูใจนะมีสติลงมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรานะดูไป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 สังเกตไหมเวลาที่เรารู้อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตเราจะเคลื่อนออกไปข้างนอกอย่างเวลาเราดูสมมติดูพระพุทธรูปนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่พระเราดูใครต่อใครนะจิตมันก็เคลื่อนไปเวลาเราดูจิตจิตเองเคลื่อนไปเหมือนกันเคลื่อนไปดูดังนั้นทันทีที่เราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจดูพวกเรารู้สึกไหมเราตั้งใจปุ๊บขึ้นมานะเราจะเริ่มแส่สายออกไปแล้วว่าจะไปดูอะไรดีนึกออกไหม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 เนี่ยก็คิดว่าโอ้ตรงนี้เราไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขล้วนๆสุขไห ม, ส, ไมสุขทําไมสุขถาวร อ, อยู่ย ง, นนงั้นนานงั้นก็มันเป็นอรูปฌานไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเขลนะจิตมันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะนะบางคนก็อยากไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยงั้นหะลวงพ่อพยายามบอกหลักของการปฏิบัติพวกเราฟังแล้วก็จําไว้นะ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 โยทำซีดีออกมาแล้วก็ขอแจกพรรคพวกทีแรกอ่านไว้ฟังเองนะขอแจกเพื่อนๆกันพออนุญาตให้แจกเพื่อนนะโยก็เลยไปใส่เพลงของตัวเองไปด้วยมีเพลงหอมวันนี้ไม่มาดังตรินแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งนะโยโยเอามาร้องแล้วก็ไปใส่ไว้ท้ายซีดีหลวงพ่อไอ้แผ่นนี้ก็มีเอาแผ่นนี้ก็มีอีกแล้วร้องอยู่เพลงเดียวแหละะ เป็นนักร้องแบบดังด้วยเพลงเดียวนี่แหละนี่พอมันกว้างออกไปกว้างกว้างออกไปกพวกหนึ่งก็ทำอินเทอร์เน็ตทำเว็บเว็บไซต์วิมุตวิมุต n อ t นตใช่ตอนนี้มีเว็บไซต์ที่เอาไฟล์หนังสือไฟล์เสียงหลวงพ่อไปขยายต่อ น, นี้ไม่รู้กี่สิบเว็บไซต์เพราะไม่ได้ห้ามนะ เอาไปจากวิมุตต์แล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่ยะมะอัดเอาไปเองนะาอัดเอาไปเองนะปัญหามันเยอะเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราในนี้หลวงพ่อสอนแบบเทยามให้ไม่ใช่เทกระเป๋านะพระไม่มีกระเป๋า <c oughs> <c oughs> นึเทยามให้หมดเนื้อหมดตัวธรรมะบางอย่างมันไม่ควรเผยแพร่ออกไปในสาธารณะคนที่ไม่เข้าใจหรเข้าใจผิดได้เราอวดอุตรีอะไรต่อได มันอวดตรงไหนว่านึกไม่ออกก็เราพูดของจริงๆล้วนๆลยงัน้นมีเว็บไซต์เอาไปจากวิมุตเนี่ยต่อๆไปนะมีเป็นสิบเลยหลวงพ่อ เ, พเคยไปเซิร์ชดูเนยเยอะมากเลยไม่ห้ามหรอกอย่าไปทำขายเท่านั้นแหละมีในประเทศต่างประเทศเล ย, เยเมอเลยกลายเป็นเป็นอะไรนะ่นเขาเรียกเป็นขบวนการไม่มีการจัดตั้งนะ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 เมื่อวานก็มีคนเขียนจดหมายมาจากสวิตเซอร์แลนดะ์เขียนมาขอบคุณหลวงพ่อภาวนามาหลายวัดแล้วนะมันเครียดตลอดเลยไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยลูกชายไปดาวโหลดที่หลวงพ่อเทศนะจากวิมุตเอาไปให้ฟังนะฟังฟั ง, ฟ, งฟังอยู่ไม่นานนะใจมันตื่นขึ้นมามันเห็นเลยความทุกข์มันตกหายไปรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของจริงมีจริง ตามรู้ตามดูมีสติขึ้นมาแล้วมันพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ไปบังคับตัวเองนะเลยเขียนจดหมายมาขอบคุณนะให้จดหมายขอบคุณนี่มีเยอะมากเลยนะแต่คงน้อยกว่าจดหมายลูกโซ่นะ <laughs> เดี๋ยวต่อไปถ้าใครได้รับจดหมายขอบคุณหลวงพ่อแล้วต้องส่งต่อสิบใบ <laughs> ไม่งั้นโชคร้ายนะถ้าส่งแล้วจะโชคดีอยังงั้นอย่างเงี้ของโกหกนะไม่เชื่อมัน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 แค่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะพ้นทุกพ้นจริงๆนะกล้ารับรองเลยแล้วพ้นในเวลาอันสั้นด้วยเบื้องต้นเคยทุกข์หนักๆก็จะทุกข์เบาๆนะเคยทุกข์นานๆก็จะทุกข์สั้นๆเราจะพบว่าในเวลาไม่นานนะที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ไม่ดื้อนะบางคนเป็นชอบเพ่งก็ดื้ออยู่นั่นแหละบางคนก็คิดมากมีสองตระกูลพวกเรื่องมากเนะี่ย พวกติดเพ่งกับไอ้พวกคิดมากสงสัยมันทุกเรื่องเลยศึกษาเปรียบเทียบไปทุกเรื่องพวกนี้กี่ชาติมันก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปเพง่งให้นิ่งศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้คิดมากแต่ท่านสอนให้รู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงงั้นพวกเราหัดรู้หัดดูบางคนเดือนเดียวนะพบว่าชีวิตจิตใจของตัวเองเปลี่ยนไปแล้วในห้องนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ ที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยมีเป็นพันพหมื่นหมื่นเลยที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปที่เปลี่ยนช้าหน่อยก็พวกติดเพ่งเพ่งเพ่งไว้เลยพวกคิดมากพวกคิดมากทนกับหลวงพ่อไม่ได้นานอะ่ะมันจะมาถามอะไรหลวงพ่อก็บอกให้รู้เอาสิไม่สนองกิเลสทนไม่ได้นี่ไป้พวกเราฝึกนะหลวงพ่อไม่แคร์หรอกใครจะดา่าใครจะว่าอะไรนะเราได้ประกาศธรรมะออกไปแล้ว ตั้งแต่พฤษจิกาปีไกลตั้งแต่พฤษจิกาปีไกลนะหลวงพ่อเริ่มพูดเรื่องอริยสัจให้พวกเราฟังเพราะจิตใจของพวกเราเริ่มพร้อมละก่อนหน้านั้นเรายังไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องอริยสัจกันเอามาถึงพฤษจิกาปีก่อนเนี่ยจิตใจของเราที่ได้ฝึกอบรมมาช่วงหนึ่งเนี่ยมันพัฒนาขึ้นพอที่จะฟังเรื่องอริยสัจได้หลวงพ่อก็พูดเรื่องอริยสัจให้ฟัง ตัแต่พูดอริยสัจให้ฟังหลวงพ่อรู้สึก ง, งานของหลวงพ่อเสร็จแล้วางานที่เหลือนี้เป็นแค่คอยเชียร์ให้กําลังใจพวกเราให้รู้แจ้งอริยสัจอากเจริญสติไปนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจถ้าไม่มีอริยสัจก็คือไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธนะถ้ายังมีอริยสัจอยู่ก็มีศาสนาพุทธอยู่ลำพังแค่ทําความสงบนะศา ส, สนาอื่นก็มี ไม่จําเป็นต้องมีศาสนาพุทธเลยอริยศาส์สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้อริยศาสตร์เนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้จะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงนิพพานได้เพราะรู้แจ้งอริยศาสตร์เท่านั้นนี่มีคําว่าเท่านั้นด้วยเป็นอักษรตัวใหญ่แนะพิมพ์ตัวโตๆฉีดเส้นใต้ด้วยต้องรู้แจ้งอริยศาสตร์เท่านั้นะ ถึงจะพ้นจากความทุกได้อริยสัจสําคัญที่สุดอริยสัจลึกซึ้งที่สุดตราบใดที่ยังไม่เข้าใจอริยสัจจะเวียนว่ายไต่เกิดไม่เลิกอริยสัจประกอบด้วยสภาวธรรมองคธรรมเนี่ยสีอันนะทุกสมุทัยนิโรธมักสิ่งที่เรียกว่าทุกไม่ใช่ความทุกความทุกขที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันคือทุกขเวทนา ไม่ใช่ทุกข์สัดข์ดคุรลอันกันทุกขเวทนาเป็นทุกขในเวทนาหมายถึงความไม่สบายของกายถ้าความไม่สบายใจเขาเรียกโท ม, มนัสเวทนาก็จัดอยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ก็แยกทางเทคนิคเทอมเขาแยกเป็นทุกขเวทนาทางกายแล้วก็โท ม, มนัสเวทนาทางใจก็อยู่ในกลุ่มของทุก ท, ทุกขเวทนา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 งั้นตัวของตัวสภาวะเองนะมันจะถูกบีบคั้นมันจะทนอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะเหตุของมันนะเคลื่อนที่ตลอดเวลามันไม่ได้ฟิกตัวแปรต้นนะให้คงที่ได้ตัวแปรนี่เคลื่อนที่ตลอดถ้าตัวแปรต้นมันเคลื่อนที่ตลอดนะตัวแปรตามเนี่ยทนอยู่ไม่ได้งั้นสภาวะทำทั้งหลายนั้นทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุของมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเราสมมติวเราทําธุรกิจใช่ไหมปีนี้กําไรใช่ไหม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 ถ้าใจของเรานะไปรู้แต่ทุกทุกทุกขังนะทุกขังทนอยู่ไม่ได้นั่งนานๆแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยรู้ทุกขัสัจรู้แจ้งอริยสัจคนละเรื่องกันอย่างคนละเรื่องกันในความเป็นจริงแล้วทุกขัสัจเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าสรุปไปแล้วท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข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 อุปาทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกนี่ท่านพูดถึงตัวสภาวะล้บรรดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รกักการประสบกับสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมปรารถนาความเศร้าโศกครับแค้นใจนะ ร, ร่ําไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นแค่อาการปรากฏของทุกเท่านั้นเองงั้นเรารู้สึกว่าเราแก่แล้วเป็นทุกเรียกว่ารู้ทุกขศาสตร์ยังยังไม่รู้หรอก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 เบื้องต้นยืมเซลล์ของพ่อแม่มากลว่ลครึ่งมาผสมพันธ์ขึ้นมาเกิดเกิดรูปขึ้น1เซลล์นึ่รูป1เซลล์แท้จริง1เซลล์นะั้นประกอบด้วยรูปจํานวนมากแล้วล่ะไม่ใช่มีรูปเดียวรูปเนี้ยกลุ่มรูปเรีย ก, ก ร, ราบอย่างน้อยมีเจรูปอยู่ด้วยกันประชุมกันขึ้นมาถึงจะเป็นกลุ่มของรูปเล็กๆประกอบด้วยธาตุดินน้ําไฟลมอากาศธาตุ แล้วก็มีสีมีกลิน่นรวมแล้วเจดอันเนี่ยเซลลยืมพ่อแม่มาใช้เซลลที่เหลือใช่ไหมอาศัยน้ําอาศัยอากาศอาศัยอาหารอะไนี่ค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาโตๆขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนโลกไปตรงที่บอกว่าวันหนึ่งคืนโลกไปเนี่ยพูดสําหรับพวกขี้ตู่ความจริงตอนนี้ก็เป็นของโลกมึง อ, ออกไหมกายนี้ใจนี้ของโลกนะ มันเป็นของโลกอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่เราคิดตูว่าเป็นของเรานะวันนึงรักษาไว้ไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วถึงยอมรับบอกว่าเออคืนให้เขาไปคืนเจ้าของเดิมเขาไปความจริงไม่มีใครครอบครองมันได้นะร่างกายนี้ที่บอกว่าตัวเราตัวเราไอสไตเคยบอกว่าร่างกายนี้มนุษย์นะ่ะมนุษย์เป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลเท่านั้นขี้ผงไม่มีความหมายเลย แต่มนุษย์เนี่ยสำคัญตัวผิดว่ากูใหญ่กูใหญ่กูใหญ่กูแน้่กูหนึ่งขึ้นมามีตั ว, ม, ตวมีตนขึ้นมานไอสไตล์มันก็เก่งนะมันก็เก่งระดับไอสไตล์ไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าหรอกเพราะมันยังเกิดอีกนะจริงจริงมก็ยังเกิดอีกฉลาดขนาดนั้นนะพวกเราฉลาดไม่ได้ครึ่งไอสไตล์อย่านึกว่าจะเจ๋งนะพวกที่ชอบคิดมากะสู้เขาไม่ได้หรอกเขายังไม่พ้นเลยนะจริงจริ ง, รงมนุษย์เป็นเศษธุลีนิดเดียวไอสไตล์ไม่พลาดตรงไหนเลย ไอน์สไไม่รู้มัจไอน์สไตน์ไม่รู้มัจไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากทุกนี้ไอน์สไ์รู้ว่าคนเราไปสําคัญมั่นหมายเอาวัตถุธาตุของธรรมชาตินะของจักรวาลมาเป็นตัวเราเรารู้สึกว่าตัวเราใหญ่ไอน์สไต์ไม่รู้วิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่รู้มัจนั่นเองไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานไอน์สไต์เลยไปใช้วิธีของคริสต์มานะ ว่าให้เรามีความรักในเพื่อนมนุษย์ไหมพอเรารักคนอื่นเนี่ยมันก็ลดเซลล์ลงแต่รักไปรักมามันภูมิใจนะฉันนี่เป็นคนดีคนดีนะฉันรักคนอื่นนะมันไม่พ้นหรอก ไ, อได้เป็นคนดีได้แต่ไม่พ้นหรอกมรรควิธีเนี่ยเรื่องสําคัญเรื่องของการทํำวิปัสสนากรรมฐานงั้น พ, พวกเรามีบุญวาสนานะถึงเราไม่ฉลาดอย่างไอสไต์ไม่รวยเหมือนอะไรนะ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 อย่างคนเด่นคนดังคนร่ําคนรวยมาวัดหลวงพ่อนะเสมอกับพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่เคยทรีตว่าคนนี้เศรษฐีให้นั่งเบาะสามชั้นอะไรย่างนี้ไม่มีนั่งเสือโคร่งเหมือนเหมือนกันหมดใช่ไหมอย่างนั้นเป็นของสมมุติของโลกครับสมบัติของโลกสมมุติกันขึ้นมาคนนั้นรวยคนนี้จนคนนั้นหลอ่อคนนี้สวยอะไรอย่างนีน้คนนี้น่าเกลียด พวกเรามีบุญวาสนาเหมือนๆกันตรงที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วให้โอกาสกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติธรรมมีสติรู้กายมีสติรู้ใจถือศีลห้าไว้นะถือศีลห้าไว้ศีลห้าเป็นพื้นฐานที่จำเป็นถ้ามีศีลห้าแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปวันหนึ่งจะได้มากผลนิพพาน คนที่ไม่มีศีลห้าไม่มีวันที่จะเข้าถึงมรรคนิพพานได้เลยอย่างเทวทัตใช่ไหมเทวทัตไม่มีศีลเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชมีฝีมือมีความสามารถสูงมากนะเทวทัตมีความสามารถสูงถ้าไม่มีความสามารถสูงไม่เป็นคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้าได้หรอกนี่ฝีมือแกดีนะปลุกระดมมวลชนก็เก่งเนะนี่ชวนคนไปเป็นสานุสิทธิ์ได้เยอะแยะ บอกเลยพระพุทธเจ้าสอนผิดยังงั้นงนี้สอนแล้วย่อหย่อนไปนะต้องอย่างเทวทัต ถ, ถึงจะดีอะไรงี้เนี่ยความฉลาดความรู้ความฉลาดที่ขาดศีล น, นะใช้ไม่ได้หรอกบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อแนะลหลวงพ่อพร่ำสอนให้มีศีล น, นะมีศีล น, นะใช้เวลาครึ่งปีนะบางคนไม่ไหวจริงไม่มีศีลสักข้อเลยนะใจร้ายใจดำโกงเอาทุกอย่าง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 วิธีการจะทำยังไงดีสงสัยขึ้นมานะให้รู้ว่าสงสัยแหะดูสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไปเลยไม่มีคำถามหรอกอะไรเกิดขึ้นมาในกายในใจคอยรู้สึกไปล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นแล้วจะถามอะไรไม่มีอะไรให้ถามหรอกคอยดูความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจไปแล้วก็สังเกตเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งว่า ใจตั้งมั่นไหมหรือว่าใจมันเที่ยวไหลๆไปทางน้นทางนี้นะถ้าใจไหลไหลไปถึงเห็นสภาวะอยู่ก็ใช้ไม่ไดก้การที่เราเห็นสภาวะเรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีใจที่ตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิด้วยฉั้นสังเกตสองอันหนึ่งอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวเลยอันนี้ไม่ผิดหรอกอีกอันหนึงก็สังเกตใจว่าใจเราชอบไหลไปไหลมาให้คอยรู้ทันมันไหลไปแล้วไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้รู้ทันมันอย่าไปดึงนะอย่าดึงคืนถ้าดึงเราจะแน่น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 ไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ของมันเองนะนีไมไ่เจตนาจะรู้แต่รู้ได้เองเพราะว่าพยายามรู้มาเยอะแล้ ว, ลวจนกระทั่งหมดความพยายามหมดความจงใจอ่ะรู้เองธรรมะจริงๆง่ายธรรมะจริงๆเนี่ยเราต้องการเรียนให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจอย่าไปทําให้ผิดธรรมดาสิพวกเราที่ภาวนาแล้วไปไม่รอดนะเพราะชอบบังคับกายบังคับใจ กายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งผิด ธ, ธรรมดาตั้งแต่เริ่มต้นนะรู้ไปธรรมดาธรรมดานี่ดูมันไปตามธรรมดาดูว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมะก็คือธรรมดานั่นแหละจนกระทั่งเราเข้าใจความเป็นจริงธรรมดาของกายของใจนเรีอกวเรื่รรารรู้ทุกขสัตรล์ลวเข้าใจนะเราจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจมีกายมีใจไหมมีความทุกข์มีอยู่ไหมมี กายระใจยังเป็นทุกข์กายกระใจของพระอรหันต์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะโดยธรรมชาติของขันนะแต่พระอรหันต์ไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่ขันมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรย้อมใจได้ไม่มีอะไรย้อมจิตใจได้เพราะฉะนั้นะอยู่ที่ว่าเรารู้กายรู้ใจได้แจ่มแจ้งไหมนะถ้ารู้แจ่มแจ้งนั่นก็ ร, รู้รู้ทุกข์ขัดละเพราะรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเราคืนกายคืนใจให้โลกไม่ไปขี้ตู่หน้าด้านเอามาเป็นของเรานะ พอคืนไปเนี่ยสมุทัยคือตัณหานียจะขาดอัตโนมัติตัณหาคือความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกนะตัวหลักของความอยากก็คืออยากอยู่แค่เนี้อยากอย่างอื่นเป็นตัวประกอบนะอยากได้สาวคนนี้มาเห็นไะก็เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความสุขนะถ้าอยากได้สาวคนนี้มาเพื่อเราจะได้ทุกมากขึ้นมันจะมาเป็นแม่เราอีกคนนะนี้ก็คงไม่อยากหรอกนะ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 ทันทีที่ตันหาดับสนิทไม่มีขึ้นมานิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่ตานิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตาเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจของเราถูกตันหาผลักดันให้ดินนด้นรนให้ปรุงแต่งเราเลยไม่สามารถเห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแต่งได้เมื่อไรใจเราปราศจากความดิ้นรนปราศจากความปรุงแต่งเพราะรู้ทุกข์แกมแจ้งแล้วเนี่ย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 งั้นถ้าใจของเราไปค้างว่างว่างนิ่งๆ่ ง, งตลอดเวลาแล้วบอกอยู่กับ น, นิพพานตลอดแล้วเป็นพระอราหารันต์แล้วพึงรู้ไว้เถอะว่าอาหารหันต์ปลอมอาหารหันต์อย่างนั้นยังมีหันเข้าหันออกนะไม่ใช่ของจริงหรอกการที่เราสามารถรู้ทุกจนกระทั่ ง, จงแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทยัยแล้วเห็นนิพพานได้นั่นแหละเรียกว่ามรรคละนี่คือใจความทั้งหมดของอริยสัจสี่นะพวกเราศึกษาแล้วก็ทรงจําไว้ มีหนังสือมีอะไรไว้ให้อ้างญิงนะอย่าปฏิบัติออกนอกรูกูนอกรอยของการรู้ทุกการปฏิบัติมีแต่การรู้ทุกเท่านั้นคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นให้คอยฝึกไปอย่างนี้นะวันหนึ่งจะได้รับดอกผลของธรรมะถึงยังไม่บรรลุพระอรหันต์ในชีวิตนี้ก็อาจจะได้โสดาสกัคาะนาคาอะไรเป็นไปได้ที่จะได้ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้นะ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 เป็นบรมสุขที่แท้จริงไม่ใช่นิยายหรอกเด็กผู้ปฏิบัติวันหนึ่งก็จะได้รับเข้าไปถึงได้นะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้อากเชิญไปทานข้าวไป